ละคือว่าซื้อเหรียญของหลาเป็นว่าเอียงล่ะกระแป๊ะคือซื้อเหรียญนั้นละแป๊ะ ว, ว่าแผ่นดินเงินเท่ากับ ส, สัญญาวาสิเป็นทองฝ่าคอยปกป้องแผ่นดินเนี้เอาไว้เองโอ๊ยจังเตานะ่ะเป็นใหแค่ก้อนขีปนาวุธเท่านั้นละ มือนี่ล่ะผมสิบอกควบในใจก็บลายให้ได้สมักไปทหารสิอืมว่ามันทหารธรรมดาเด้ยทหารนากาศพรุ่นเด้ยมันกันคือการเบิร์ดนั่นล่ะว่าเป็นอย่างเขาให้พกโทรศัพท์ใดอยู่สิทโทรหาสุมือดอกเออต่อตรงฝ่าไปรายงานโต ว, ว่ามันสิ เฮ้ยเออเก่าหม้อนพอดีปั๊ก <laughs> ผมบริติตต่อหลากเลยตลอด6เดือนพอโทรศัพท์เสียไปใสกับโบรูได้ต้องหูข้าวหลาจากแม่ขึค้นจังว่าหลาดสิสัมบายดีในยิ่นซ้ำนี้ผมก็ดีใจ ใต้ฟ้ากระบอกไดายานฝนหักผู้ลังคนเลยบอย่ยานเสียใจเมื่อเจ้าของเนตตอนเหงายำได้กระคือโนบเขาบ่คอยมีเวลาหายโทรหาก็บ่คอยครับขนาดมือนี่เป็นวันขบลอ็อกเขายังลืมเลยหย่อนว่าเธอมีเขาเป็นฟ้าเป็นฝันในใจ เลยขอเป็นอย่างก็ได้ให้ได้อยู่ไกลไกลสายตาสี่ขอเป็นแค่ก้อนขี้ฝันที่เจียมหัวใจสี่ฮักเจ้าในน้อยให้เด็บไปหน่อยขอคือโทษคอยคอยบ่ซ้ำอ่อยให้รำคาญ พอใจสถานการณ์บอกเป็นอย่างเดื้อหลาเดี๋ยวทุกอย่างสิดีขึ้นเอ ง, อ ง, องแต่ที่ยังทาย่อนบ่ามีหวังคุณบ่ามีทางนี้ดูแลใจขอแน่มเบิงหักอยู่เมาะไกลบอกให้ <ละ S 2> คุณจั ง, งจแน่นาเดี๋ยวสิภาพไปเทียวสิดีสำบายใจขึ้น บอกเจ้าของไม้สู่เขาบ่อใดแค่ห่วงยายห่างทางสิมีขี้ฝ้าใดสิยัยก็ฝ้าควันแต่เป็นมือก็ยังดีกว่าบ่เป็นยังเลยเวลาที่ห้องเบาสบายใจนี่ เท่าก็ต้องระบายออกมาเว้ยเว้ยเว้ยสักป้าลิขอเป็นอย่าง ハイパーラーでと ว่าเฮาควรอยู่มองได้แต่ที่ยังทายอนบ่ามีหวังถึงบ่ามีทางนี่ดูแลใจขอเนี่ยบึงขัดอยู่เมาไกลบอกเลยบอกให้ควรใจนะสิฮักเจ้าหน่อยหน่อยให้เจ็บหน่อยหน่อยคือทอดคล้อยๆบ่ซ้ำห้อยให้รังคันเข้าใจสถานการณ์ กว่าเห้าควรอยู่มองใดแต่ที่ยังทาย่อนว่ามีหวังถึงว่ามีทางนี้ดูแลใจขอแน่มเบิงหักอยู่บ้าใกล้ม่อให้ควรใจน่าขอบคุณนะเตาขอบคุณในหลายที่เป็นบู แค่หูใจของห้าเล็กขอเป็นอิยังกระใดให้ได้อยู่ใกล้ใกล้าสายตาที่ขอเป็นแค่กรขี่ฟ้าที่เจียนเหตุใจ สิหักเจ้าหน่อยๆให้เจ็บหน่อยๆคือถ อ, อดคอยๆบอสำออยให้รำคาญเข้าใจสถานการณ์ว่าเห้าควรอยู่มองใดแต่ที่ยังทาย่อนบอมีหวังถึงบอมีทางนี้ดูแลใจขอแน่มเบิงหักอยู่มากไกลบอให้กวนใจน่า แต่ที่ยังทาย่อนว่ามีหวังถึงว่ามีทางนี้ดูแลใจขอแน่มเบิงขักอยู่เบาไกลบ้าให้ควรใจน่างั้นเท่าก็สิสัญญาว่าสิเป็นทองฟ้าค่อยปกป่องพันเด็นเนียวไว้เองโห้ยนังเตานะเป็นแค่ก่อนขี่ฟ้าเท่าหน้าละ もう一度、私たちは、このように、このように、このように、